ตลรอนท่านผู้มีจิตศรัทธามีควาเมเนื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25พันวาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาต่อบุญเพราะ เป็นสิ่งที่ท่านเคยทำมาก่อนจนติดเป็นนิสัยมาพอถึงเวลามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆท่านก็ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญต่อถ้าเราไม่เคยได้ทำบุญมาก่อนในอดีตเราก็จะไม่มีนิสัยที่จะชอบทำบุญ ถ้าเราทำบุญก็เป็นเพราะว่ามีคนอื่นเขาชักจูงเราหรือเป็นวันสำคัญเช่นวันเกิดหรือวันตายของคนที่เรารู้จักเราถึงจะได้ทำบุญแต่ไม่ได้ทำออกมาจากจิตจากใจของเราโดยตรงเพราะในอดีตเราไม่ได้เคยทำมานั้นเอง แต่ถ้าในอดีตเราเคยทําบุญมาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอด้วยจิตใจของเราเองคือทําด้วยความศรัทธาทําด้วยความชอบฉันท์ทําด้วยความยินดีเพราะเวลาทําบุญแล้วนั้นมีความสุขใจมีความสบายใจ ถ้าเราเคยทำมาอย่างนี้ทุกภพกทุกชาติที่เราเกิดเราก็จะติดนิสัยนี้ไปเราก็จะชอบทำบุญไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เดินห่างไกลจากกองทุกและเดินเข้าใกล้สู่กองของความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระ อาลหาันตาสาวกทั้งหลายได้ไปถึงก่อนหน้านี้แล้วพวกเราก็กําลังเดินทางตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเดินได้เดินตามทางที่พระอลาลัยหันตาสาวกทั้งหลายได้ดําเนินกันมาเราถ้าเราทําอย่างไม่หยุดไม่หย่อนไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะถึงจุดหมายปลายทาง ที่เลิศที่วิเศษคือมิเป็นที่ที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เป็นเพราะว่าเราหมั่นมาทำบุญกันนั่นเองดังนั้นขอให้เราจงมีศรัทธาความเชื่อว่าการทำบุญนี้แหละเป็นการกระทำที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรา ยิ่งกว่าการกระทำสิ่งอื่นๆทั้งหลายสิ่งอื่นๆที่เรากระทำนั้นก็ขอให้มันเป็นด้วยความจำเป็นเช่นต้องดูแลชีวิตของเราอย่างนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่อย่าไปทำมากจุดเกินความจำเป็น พอมีพอมีพอกินแล้วก็ควรที่จะแบ่งเวลาและแบ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาทำบุญจะดีกว่าเพราะบุญนี้เป็นทรัพย์ที่แท้จริงของพวกเราเป็นทรัพย์ภายในส่วนทรัพย์ภายนอกนี้ไม่เลยเป็นทรัพย์ของใจเป็นทรัพย์ของกายดูแลรักษาร่างกาย ให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วทรัพย์นั้นก็หมดสภาพไปคือเราไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์ภายนอกติดตัวไปกับเราได้แต่เราสามารถเอาทรัพย์ภายในติดตัวเราไปได้เราจึงควรสร้างทรัพย์ภายใน ให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเถิดาะจะทำให้เราเป็นเศรษฐีบุญผู้ที่มีบุญหรือเป็นเศรษฐีบุญนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตส า, าวกทุกๆพระองค์ทุกๆรูปนี้ล้วนเป็นเศรษฐีบุญทั้งนั้น ใจของท่านจึงไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนกับพวกเราที่เป็นเศรษฐีภายนอกเศรษฐีทางกายที่มีแต่ความสุขทางกายแต่ทางใจนี้ก็ยังมีความทุกข์มารบกวนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีระดับไหนก็ตามเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหรือแสนล้านก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ของทางใจได้มีแต่เศรษฐีทางธรรมเท่านั้นที่จะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ทางใจได้ทั้งหมด เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาลันตรสาวกทั้งหลายนั่นได้ทรงบำเพ็ญบุญมาอย่างต่อเนื่องในทุกภพทุกชาติเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อไรก็จะทำบุญเสมอแต่ถ้าต้องไปเกิดในอบาย <c oughs> ก็จะไม่อยู่ในฐานะที่จะทำบุญได้เพราะในอบายนี้ ไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยที่จะให้ได้ทำบุญเหมือนภพของมนุษย์ดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะประมาทเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้เราหมั่นทำบุญกันให้มากๆหมั่นขอให้เราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของชีวิตของเราพิจารณาถึงความตายของชีวิต เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทเพื่อที่เราจะได้รีบตักตวงทรัพย์ภายในคือบุญกุศลต่างๆให้มีไว้ให้มากเ <c oughs> ท่าที่เราจะสามารถจะทำได้เพราะไม่มีใครรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะมีอยู่หรือไม่เ <c oughs> พราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สาสนาคตชนนั่นอย่าสร้างอยู่ในความประมาท ให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าสังขารร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาและจะเกิดขึ้นเ ม, มื่อไหร่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปอย่างรู้ได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปอีก 20-30 ปีหรือ50ปีหรือ100ปี ขอให้คิดว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือไม่จะดีกว่าเพราะถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เห็นคุณค่าของเวลาของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ปล่อยเวลาที่มีคุณค่านี้ให้หมดไปให้เสียไปกับเรื่องไร้สาระต่างๆเช่นเรื่องของการหาทรัพย์ภายนอกหรือเรื่องของการหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ให้มีในใจเพิ่มมากขึ้นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ความทุกข์ภายในใจน้อยลงไปสิ่งที่จะทำให้ความทุกข์ภายในใจของเราน้อยลงไปก็คือบุญที่พวกเรามาทำกันอย่างสม่ำเสมอ น, นั่นเอง บุญ น, นี้ก็เป็นเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานไม่ใช่ไม่มีเป็นอาหารชนิดเดียวอาหารมีหลากหลายชนิดบุญที่เราทําก็มีหลากหลายชนิดเช่นเดียวกันเช่นบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งวันนี้พวกเราก็นําข้าวของเงินทองกับข้าวกับข้า ว, ก, าวกับปลาอาหาร ปัจจุปัจจัยต่างๆมาถวายพระเรียกว่าเป็นการให้วัตถุทานเป็นการบำเพ็ญวัตถุทานเพราะเป็นสิ่งที่เรามีมีอยู่นั่นเองการให้ทานนี้ท่านทรงสอนขอให้เราให้ในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเหลือใช้เหลือเฟือ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ท่านไม่ได้สอนให้เราไปหาวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆเพื่อมาทำบุญอันนี้ไม่ใช่เป็นการทำบุญเพราะว่าจะเป็นการเสียเวลาแทนที่เราจะเอาเวลานี้ไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำบุญเราสามารถทำบุญอย่างอื่นที่ดีกว่าการให้ทานได้ นอกจากบุญที่เกิดจากการให้ทานแล้วก็ยังมีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาซึ่งจำเป็นจะต้องมีเวลามาบำเพ็ญแต่ถ้าเราเพยงแต่คิดว่าอยากจะทำบุญอย่างให้ทานอย่างเดียวเราไม่มีเงินหรือมีเงินมีของให้ไม่พอเราก็ต้องไปทามาหากินเพื่อหาเงินหาทอง เพื่อมาทำบุญอย่างนี้ไม่ได้เป็นการกระทำที่ฉลาดเพราะไม่ได้ไปทำให้เราได้ก้าวขึ้นสู่บุญที่สูงขึ้นที่ดีกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานอย่างนั้นการให้ทานนี้ขอให้เราดูที่ฐานะของเราเรามีมากมีน้อยเราก็ให้ไปตามฐานะของเรา พอเราไม่มีจะให้แล้วเราก็หยุดให้ได้ไม่ต้องไปแสวงหาเงินทองเข้าของเพื่อมาทำบุญอีกถ้าจะทำงานก็ให้ทำงานเพื่อที่จะดูแลรักษาอัตภาพชีวิตของเราก็พอยกตัวอย่างผู้ที่มาบวชนี้เขาก็ได้ทำทานจนเต็มที่แล้ว คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เขามีอยู่นั้นเขาก็บริจาคสละให้แก่ผู้อื่นไปหมดแล้วก็มาบวชมาอยู่เป็นพระภิกษุมีสมบัติเพียง8ชิ้นที่เรียกว่าอัตฐบริการตอนนั้นและการงานของท่านก็มีแต่เพียงการดูแลรักษาร่างกายด้วยการออกมิจบาไ แต่เวลาอื่นนี้ท่านก็เอามาใช้กับการสร้างบุญที่สูงกว่าที่ดีกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานก็คือมารักษาศีลมาภาวนาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบและทำจิตใจให้รู้แจ้งด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนาเพื่อการหลุดพ้นจาก ความทุกต่างๆนี่คือบุญที่สูงกว่าการให้ทานดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจว่าการให้ทานนี้ก็ดีแต่ให้ในให้จากสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปขวนขวายหามาเพื่อจะมาให้ทานเช่นบางคนชอบทำบุญก็เลยสละชีวิตของตนเองหาเงินหาทองเพื่อจะมาทา บุญให้ทานอย่างเดียวอย่างนี้ยังไม่พอเพียงที่จะทำให้ตนนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้ารับประทานอาหารก็เหมือนกับรับประทานข้าวเปล่าอย่างเดียวไม่รับประทานกับไม่รับประทานผลไม้ของ ข, ของหวานอื่นๆทำให้ร่างกายไม่เจริญแข็งแรงสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง เพราะขาดสารอาหารที่จําเป็นอื่นๆมีแต่ข้าวเปล่าอย่างเดียวเช่นเดียวกับการให้ทานนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราให้ทานอย่างเดียวแล้วเราไม่สนใจที่จะรักษาศีลที่จะปฏิบัติธรรมที่จะฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้เราก็จะอยู่แต่ในระดับ ของการเกิดที่มีฐานะที่ดีฉะนั้นคืออนิสงของการให้ทานนี้เวลาทำให้เราเวลาเราไปเกิดใหม่เราจะไม่อัตคัดขัดสนเราจะมีข้าวของเงินทองพอใช้เหลือใช้อยู่เสมอแต่เราจะไม่สามารถไปเกิดที่สูงขึ้นไปเป็นพระอริยะเจ้าได้ เป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์หรือเป็นพรได้อย่างมากที่เราได้ก็คือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าหลังจากที่เราไปใช้กรรมในอบายเพราะว่าถ้าเร า, เราไม่รักษาศีลถึงแม้เราจะทําทานมากน้อยเพียงไรก็ตาม เวลาเราตายไปบาปกรรมที่เราทําที่เกิดจากการไม่รักษาศีลก็จะต้องส่งให้เราไปชดใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างจนกว่าจะใช้หมดกรรมแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วมารับผลบุญ ที่เกิดจากการให้ทานของเราแต่ถ้าเราทำบุญเพิ่มขึ้นนอกจากทานแล้วเราก็รักษาศีลด้วยถ้าเราทำได้เราก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายเวลาตายไปเราก็จะไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพขั้นต่างๆชั้นต่างๆจนกว่าจะหมดบุญนั้น และเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำบุญให้ทานรักษาศีลใหม่ต่อไปแต่ถ้าเรานอกจากทำบุญให้ทานรักษาศีลแลเรายังปฏิบัติธรรมเราจเจริญส ม, มถาภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบด้วยอุบายต่างๆเช่นการสวดมนต์ก็ดีหรือการบริกรรมพุทโธก็ดี หรือการดูลมหายใจเข้าออกกระดีทำให้จิตใจสงบนิ่งเย็นสบายปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นลดปล่อยวางร่างกายไปเชื่อขณะจิตตกภวังมีความสุขมีความเป็นอุเบกขาจิตถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตของพรหมถ้าตายไปก็จะได้ไปรับผลบุญ บนสวรรค์ชั้นโถมจนกว่าบุญนี้หมดไปจานไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้านอกจากการทำสมาธิรักษาศีลและให้ทานแล้วเรายังขยันฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาธรรมะที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเช่นทรงสอนให้เราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของ ร่างกายของเราว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาถ้าเราเอามาเจริญอยู่เรื่อยๆจนทำให้ใจของเราปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการอยากจะอยู่นี้เป็นความทุกข์การยอมรับความตายเป็นการดับทุกข์คือยอมรับความจริงว่า ร่างกายนี้สักวันหนึ่งเขาต้องตายจากเราไปแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายไม่มีเหตุผลอันใดที่เราจะต้องกลัวความตายของร่างกายเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละสวนกันใจเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดคิดเกี่ยวกับเรื่องร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราพิจารณาเรื่องของร่างกายอยู่เรื่อย แล้วทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะแยกกายออกจากใจได้ใจจะรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายส่วนร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปตามธรรมชาติของเขาไม่มีใครมายับยั้งมันได้แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ทั้งหลายก็ไม่สามารถยับยั้งความตายของร่างกายได้แต่ท่านสามารถยับยั้งความทุกข์ของใจที่เกิดจากการไปหลงยึดติดกับร่างกายได้ท่านสามารถตัดความยึดติดคืออุปาทานความยึดติดในร่างกายท่านสามารถตัดความอยากในการที่อยากจะให้ร่างกายอยู่เป็นไม่มีวันสิ้นสุด เพราะมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนความจริงถ้าเราหมั่นพิจารณาสภาพความจริงของร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้ไม่มีตัวตนไม่มีเราอยู่ในร่างกายอันนี้เราเพียงมาครอบครองร่างกายเหมือนกับคนกับรถไปซื้อรถมาขับ รถกับคนขับรถนี้เป็นคนละส่วนกันรถนี้ใช้ไปไม่นานก็จะต้องหมดสภาพไปก็ต้องเปลี่ยนรถใหม่ถ้าไม่อยากจะไปไหนอยากพาะมีความสุขอยู่กับบ้านก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปซื้อรถใหม่อีกต่อไปใจก็เป็นเช่นเดียวกับคนขับรถนี่แหละเป็นผู้ที่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง ไม่ใช่เป็นตัวของคนขับเองแล้วถ้าคนขับมีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมก็เวลาร่างกายนี้รถโยต์คันนี้มันแตกดับไปก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะคนขับรู่ใจนี้มีความสุขที่จะอยู่กับที่แล้วไม่ต้องการที่จะไปไหนแล้ว อยู่ตรงนี้ก็มีความสุขแล้วเมื่อไม่มีความอยากที่จะไปไหนอีกต่อไปก็จะไม่มีเหตุที่จะไปผลักดันให้ใจนี้ไปหาร่างกายอันใหม่มามาครอบครองอีกต่อไปนี่คือใจของผู้ปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นสูงสุดจะเป็นอย่างนี้เช่ในใจของพระพุทธเจ้าละใจของพระอหรหันตสาวกทั้งหลายเวลาร่างกายนี้ต้องแสกดับไปนี้ ใจของท่านไม่มีความรู้สึกหวันไห้เลยแม้แต่เล็กน้อยเพราะใจของท่านได้ตัดขาดจากความยึดติดกับร่างกายนี้แล้วด้วยปัญญาด้วยความเห็นที่ถูกท่องสัมมาทิฏฐิเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วต้องมีดับเป็นธรรมดาเห็นว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัว เราของเราไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นร่างกายสักวันหนึ่งใจกับร่างกายต้องจากกันอย่างแน่นอนเมื่อใจพร้อมที่จะรับความจริงอันนี้นแล้วใจก็จะสงบไม่ไม่ไม่วุ่นวายผู้ที่ยังมีความวุ่นวายเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ก็เป็นเพราะว่ายังไม่ได้อบรมสั่งสอนใจให้ สงบให้นิ่งนั่นเองแต่ถ้าเรามาหมัน่นมาฝึกมาปฏิบัติทำนั่งสมาธิจเจริญปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วสักวันหนึ่งใจของเราก็จะสงบนิ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตามจะไม่เป็นปัญหากับใจต่อไปอย่างนี้ก็เป็นการตัดพบตัดชาติ ตัดไปเรื่อยๆถ้าได้ขั้นแรกเป็นพระโสดาบันก็จะสัตว์ภพชาติหรือว่าเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นพระสกิดาคามีก็จะสัตว์ภพชาติเพียงเหลือเพียงชาติเดียวถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหรันต ถึงพระนิพพานไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่คือบุญที่จะได้รับจากการทำบุญที่สูงกว่าการให้ทานก็คือการรักษาสิงการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนี่เป็นวิธีที่จะทำให้เราได้ไปถึง จุดหมายปลายทางที่เลิอที่วิเศษที่สุดที่มนุษย์เราสามารถจะไปกันได้ไม่ได้ไปเพราะการให้ทานอย่างเดียวดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจไว้ว่าเวลาให้ทานนี้เราให้ตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ให้ไปให้ไปจนกว่าไม่มีจะให้แล้วเมื่อไม่มีจะให้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวล ไม่ต้องไปหามาเพื่อที่จะมาให้แต่ถ้ามันมาด้วยอำนาจของบุญเก่าของเราหรือด้วยอำนาจของความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราแล้วมีเหลือส่วนเกินเราก็เอาไปทำบุญต่อได้แต่เราควรที่จะให้ความสำคัญต่อการรักษาสิน ต่อการปฏิบัติธรรมต่อการฟังเทศฟังธรรมให้มากกว่าการให้ทานคือเอาเวลานี้มานั่งสมาธิเอาเวลานี้มาปฏิบัติธรรมเอาเวลามาฟังเทศฟังธรรมจะดีกว่าเอาเวลาไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำบุญให้ทานอย่างนี้ก็จะไม่เจริญก้าวหน้า ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็จะอยู่แต่ชั้นประถมยังไม่ยอมขึ้นชั้นมัธยมไม่ยอมขึ้นชั้นมหาวิทยาลัยชอบเรียนอยู่แต่ชั้นประถมอยู่อย่างเดียวก็ไม่มีวันที่จะได้จบปริญญาเอกถ้าอยากจะจบปริญญาเอกก็ต้องก้าวขึ้นไปทางนำดับพอจบชั้นปถมแล้วก็ต้องขึ้นชั้นมัธยม พอจบชั้นมัธยมแล้วก็ต้องเข้ามาหาวิทยาลัยพอได้เปริญญาตรีแล้วก็ต้องทเปริญญาโทต่อได้ปริญญาโทแล้วก็ต้องทำปทริญญ า, าเอกต่อเช่นเดียวกับการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องทำจากขั้นฐานขึ้นไปก่อนเมื่อเราทำได้เต็มที่แล้วเราก็มารักษาศีลกัน ถ้าเราไม่ไปแสวงหาเงินทองมากเกินเกินไปเราจะรู้สึกว่าการรักษาศินนี้ไม่ยากเลยแต่ถ้าเรายังต้องหาเงินหาทองมาเราจะรู้สึกว่าการรักษาศินนี้จะยากเพราะบางทีเราอยากจะได้เงินก็ทำให้เราอาจจะต้องพูดปวดบ้าหรือทำบาปบ้างแต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินหาทองมากมาย เราก็ไม่ต้องทําบาปก็ได้คือถ้าไม่ได้ถ้าเราต้องทําบาเพื่อให้ได้เงินมาเราเราไม่ทําดีกว่าพอเราไม่ไม่มีความเดือดร้อนที่จะต้องทำบาปเราพอมีพอกินอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะหาเงินมากๆจะทําให้เรารู้สึกว่าเงินทองที่เราหามานี้ไม่พอสักทีก็จะทําให้เราคิดไปในทางผิดได้ที่ไปในทางที่ ไม่ถูกทำให้เราต้องไปทำบาปได้ดังนั้นขอให้เราทำทานไปอย่างเต็มที่ตามฐานะของเราแล้วใจของเราจะมีความอิ่มเอิบจะไม่หิวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและจะทำให้เรานี้รักษาสินง่ายเพราะผู้ที่ทำทานนี้จะมีจิตใจเมตตากรุณานั่นเองคือไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น มีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขไม่อยากจะให้ผู้อื่นมีความทุกข์เมื่อเราท ำ, ท, ำทานอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลห้านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยเพราะมั น, เ ป, นเป็นคุณสมบัติที่ตามมาจากการ ให้ทานด้วยความเมตตากรุณานี่ เ, เมื่อเรารักษาศีลได้แล้วใจของเราก็จะมีความสงบจะทำให้เรารู้สึกว่าการนั่งสมาธินี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นใจที่ไม่สงบจากการทำบาสนี้เวลาจะทำสมาธินี้จะรู้สึกว่ายากมากเพราะจะมีความมิตกมีความกังวลว่าวุ่นขนวััว กับเรื่องราวต่สาๆที่ไม่ดีที่เคยได้ทำเอาไว้เวลาที่จะต้องไปอยู่ที่เปลี่ยวที่จะปฏิบัติธรรมก็จะไม่สามารถไปอยู่ได้เพราะความกลัวบาปที่เคยได้ทำเอาไว้นั่นเองแต่คนที่ไม่ได้ทำบาปคนที่มีศีลอยู่ตลอดเวลานี้จะไม่มีความวิตกกังวลกับเรื่องของบาปกมเพราะตนไม่ได้ทาอะไรไว้นั่นเอง เวลาต้องไปอยู่ที่เตี่ยวที่ที่ไม่มีคนอยู่ด้วยก็จะไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะใจไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมให้แก่ผู้อื่นนั่นเองการปฏิบัติสมาธิก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นจะไม่มีอุปสรรคสามารถที่จะทำจิตใจให้สงบได้อย่างง่ายดาย แล้วเมื่อใจมีสมาธิแล้วพอได้เจริญปัญญาก็จะมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยะขั้นสังสารขั้นโสดาบันก็มีดวงตาเห็นธรรมว่ามีการเกิดเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาขั้นสกิดาคามีก็จะมีดวงตาเห็นธรรมว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเลยมีเป็นอสุภะ เป็นมีสิ่งปฏิกรูที่ถูกขับถ่ายออกมาตลอดเวลาแต่ยังไม่สามารถจะเห็นได้ตลอดเวลาเห็นเป็นบางเวลาจึงทำให้การมราคะที่มีในใจนี้ลดน้อยลงไปแต่ยังไม่หมดไปต้องถึงขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีที่จะมีดวงตาเห็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาเวลาเห็นใคร ก็จะเห็นอาการสาสสองเห็นซากศพเห็นร่างกายนี้ว่าจะต้องกลายเป็นซากศพเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆที่ถูกขับออกมาจากร่างกายถ้าเห็นอยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถดับการมราคะได้อย่างถาวรทำให้บรรลุปเป็นพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบคือพบของมนุษย์อีกต่อไป พบของมนุษย์หรือของเทพหรือของเดรัจฉานนี้เป็นการมาพบผู้ที่ได้เจริญมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนุสุภะอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในการมภพบอีกต่อไปก็จะไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์แล้วต้องตายไปก่อนแต่ถ้ายังไม่ตายแล้วเรจเริญปัญญาขั้นต่อไป จนมีดวงตาเห็นธรมว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนว่าจิตนี้ก็ไม่เท <x> ี่ยงจิตน <sadece S 3> ี้มีการเปลี่ยนแปลงคืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพิจารณาจนเห็นและเข้าใจและปล่อยวางได้แล้วจิตก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดปราศจาก สิ่ง ต, งต่างๆภายในใจปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะถึงพระนิพพานไม่มีความอยากที่จะไปไหนอีกต่อไปไม่อยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมอีกต่อไปอยากจะอยู่ในความนิ่งสงบนี้เท่านั้นนี่คือเรื่องของบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายมาบำเพ็ญกัน ถ้าเราหมั่นทำอยู่เรื่อยๆก็จะติดเป็นนิสัยไปแล้วทุกพบทุกชาติที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้มาเติมบุญต่อบุญไปเรื่อยๆจนในที่สุดสักวันหนึ่งเราก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนอย่างพระอาหาน์าทั้งหลายที่ได้บรรลุไปก่อนหน้านี้แล้วท่านก็บาเพ็ญบุญอย่างที่พวกเรากำลังทากันอยู่อย่างนี้ นี่เป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่การเป็นพระอาหารหันต์สู่การหลุดพ้นไม่ได้อยู่การอธิษฐานขอเช่นเวลาทำบุญให้ทานสักบาทแล้ว ก, ก็อธิษฐานว่าขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าทำบุญให้ทานสักบาทอย่างเดียวนี้ไม่พอที่จะพาให้ไปถึงนิพพานได้เหมือนกับเติมน้ามัน50สิบบาท เราหวังที่จะเดินทางให้ไปถึงเชียงใหม่ได้จากกรุงเทพยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าอยากจะเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังถึงจะไปถึงได้นี่คือเรื่องของบุญต่างๆที่เรามาบงเพ็ญกันจึงขอให้เราพยายามทำบุญอย่างอุดด้วยนอกจากการให้ทานแล้วขอให้เรารักษาศีลขอให้เราตั้งสมาธิ ขอให้เราเจริญปัญญาขอให้เราฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าผลที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นของพวกเราอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทาบุญให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจน า, าและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป